อาจารย์ครับกรรมธรรมวส ก, การครับะจะเจรินพรคุณหมอท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครานี้ตั้งตั้งกล้องให้มันให้มันไฮเดฟฟ์หน่อยนะ720ชัดขึ้นไหมเมื่อก่อนใช้480อะไรแล้วมันมีให้ตั้งถึงพระอาจารย์ชับเลยครับ80มันนี่เลยลองตั้ง720ดู ควาว่าคนดูคงไม่ไม่กระตุกขึ้นมีปัญหานะเพราะมันต้องใช้ความเร็วมากขึ้นครับผมบผมดูชัดเจนดีนะครับ อ, อาจารย์ครับพอดูพเข้าไปดูนะชัดเ้นให้นนให้เลือกตั้งอืมจัอนอ๋ออาจารย์ตั้งแค่สิบลแปดสิบมาโดยตลอดและครับผมอ่าไม่ทราบไม่ทราบเพราะไม่เคยไปดูมันพอนี่ีเวลาอะไรลองเข้าไปดูนะ ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้ผมผมถ่ายทอดลรับสารภาพกันครับมาอยู่ญี่ปุ่นครับอาจารย์ตอนสัญญาณอาจจะมีดีเลย์บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยะครับไม่ไม่ไดโอเคมันฟ้องดวงสาวภาพไปก่อนดีกว่าครับอาจารย์ครับ วันนี้ก็เป็นการจัดทางที่ร้อยยี่สิบสี่แลครับผมขอโอกาสตั้งชื่อเรื่องความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับพระอาจารย์ครับกลับขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ความกระจ่างเรื่องนี้ครับพระอาจารย์ครับก็เวลาเรามีโรคภยัยเราก็ต้องเสียเงินใช่ไหมต้องไปหาหมอไปเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียทรัพยเสียรากในเวลาที่เราไม่มีโรคภยัยเราก็ไม่ต้องเสียก็เหมือนได้ได้ลาบนี่คือความหมายของ เพรว่าเป็นลาบันประเสริฐก็คือเราจะได้ไม่สูญเสียลาบที่เรามีอยู่ไปเม่ไม่เสียก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับได้รับมาอันนี่คือโรคทางร่างกายต้องรักษาด้วยแม้กรทั่งทางจิตใจคนที่เป็นจิตจิตเวชคนที่เป็นคนไข้โรคจิตก็ต้องไปหาหมอยิ่งทางประเทศที่เจริญนี่หมอทางจิตประเภทจิตเวชนี่แพงเหลือเกินพว ก, พวกเขาเรีกพวกอะไร psychiatrist นี Psych ่ ไปหาที่เขาคิดถึงชั่วโมง<ม>แพงมากมแต่เมืองไทยดีอย่างแพททางจิตเวชนี้ไม่ค่อยมีอาชีพไม่ค่อยเจริญยางเท่าไหร่เพราะคนส่วนใหญ่จะไปหาวัดไปหาพระกันมากกว่าเวลามีความเครียดมีความทุกข์ก็ต้องหาธรรมะธรรมะนี่แหละเป็นเรอะไรเป็นธรรมะโอสะ ธรรมโอสซนนี้ไว้รักษาโรคทางใจโรคความเครียดโรคของความทุกข์โรคของความเสมเศร้าความวิตกกังวลความห่วงใ ย, ยความว้าวเว่ความเศร้าสร้อยงอิ่งเหงาโรคเหล่า น, นี้ถ้าไปไปไปวัดก็จะมียาธรรมโอสซนให้รักษาให้หายได้ดนั้นพวกที่เป็นจิตแพทย์จึงไม่ค่อยจะ มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกาหลีทางทางประเทศทางตะวันตกที่เขาไม่นับถือาศาสนาเมื่อเขาไม่นับถือาศาสนาเวลาเขาเครียดเขาก็ต้องไปหาจิตแพทย์กันแต่คนไทยเรานับถือาศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่อาชีพจิตแพทย์เลยไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ในเมืมองไทยก <c oughs> ็อย่างที่พูดโลกโลกเหล่านี้ก็มีสองโลกใช่ไหมโลกทางกายและโลกทางใจ โรคทางกายก็ต้องอาศัยอยารักษาโรคทางร่างกายอาศัยหมออาศัยโรงพยาบาลแม้แต่พร ะ, พระปฏิบัติ ด, ดีกูบาอาจารย์ท่าก็ยังต้องเข้าโรงพยาบาลเกันที่ขั้นเข้าไปนี้เพื่อรักษาโรคทางร่างกายซึ่งบางทีถ้าเป็นพระอาจารย์ที่บรรลุแล้วนี่มักจะท่านไปเพราะไม่ได้ไปเพราะท่านอยากจะไปท่านไปเพราะถูกบังคับถูกญาติโยมลากไป ครับญาติโยมอยากให้ท่านอยู่นานๆเป็นที่พึ่งท่า น, นอะไรต้องไปขนาดน้งตาม า, าบวชในท่านยังถูกสมเด็จพระนางเจ้าพระราจีเนียมูลไปวัดไปรักษาที่สิริราชอยู่แต่ท่านไปแค่คืนเดียวท่านก็ขอกลับแนะท่านไม่ไม่อยู่เพราท่านรู้เรื่องาของง่างกายมันในที่สุดมันก็ต้องถึงแก่ความตายไม่ว่าจะรักษาอย่างไร แล้วท่านก็เห็นว่ายุท่านก็มากแล้วท่านรู้การร่างกายของท่านนักอยู่ตลอดเวลาท่านรู้นะว่ามันมันเหลวมากน้อยเพียงไรแต่ท่านก็ไม่ขัดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาที่จะนิมนต์ให้ท่านไปรักษาก็ไปให้สักคืนหนึ่งไปนอนสักคืนหนึ่งแล้วก็กับแตใจท่านไม่ได้ทุกกับความเจ็บไายได้ป่วยของทางร่างกายแต่อย่างใดเพราะใจของท่านไม่ได้ทุกข์ใจของท่านไม่มีเจ็บคขยได้ป่วย ใช่ท่านาหายปวยตั้งแต่วันที่ท่านบรรลุธรรมนะวันที่ท่านบรรลุเป็นสิ้นกิเลสแล้วมันกโลกก็หมดโูกทางใจก็หมดไปเพราะเชื่อโรคทางใจก็คือกิเลสเน่กิเลสคือความโลภความปวดความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจตัวที่สร้างความทุกข์ความเครียดให้กับใจนี้ถูก กำจัดไปหมดนาใจก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดใจท่านก็ผ่องใสเบิกบานบริสุทธพุทโธจิตใจท่านบริสุทธ์รู้สักแต่ว่ารู้อยู่เบิกบานแอมใสเบิกบานเพราะไม่มีอะไรมาทําให้เศร้ากิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายถูกกาจัดไปหมดนะจิตก็เลยผ่องใสเบิกบานถึงแม้ร่างกายจะเจ็บจะ เป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของร่างกายไปแต่ใจของท่านน่ก็ไม่ได้ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของของร่างกายท่านก็ดูแลรักษาไปเท่าที่มันจะรักษาได้ถ้ามันถึงขีดที่มันรักษาไม่ได้ก็ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างที่เราเคยคุยกันว่าร่างกายมันก็มีอยู่สามโรคนะโรคที่เป็นแล้วก็หายเอง เป็นไข้หวัดปวดท้องปวดศรีรษะบางทีมนนนนันก็เดี๋ยวมันเป็นสักพักแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองได้ถ้าไม่ไปรักษาแล้วก็มีโรคที่ต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายอันก็โรคชนิดที่สามก็คือโรคที่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายรอวันตายเพียงอย่างเดียวพระปฏิบัติท่านจะสังเกตดูว่าการเหล่านี้ของของร่างกายท่านได้ท่านรู้ว่ามันจะอยู่ใน ระดับโลกระดับไหนพรามันถึงระดับที่มันรักษาไม่ได้ท่นก็ไม่รักษานห้นให้มันเหนื่อยยากไปเปล่าๆท่านก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงใจท่านไม่ทุกข์ใจท่านปล่อยวางใจท่านเห็นกฎของตายลักที่ที่ปกคุมร่างกายสังขารของทุกคนในโลกนี้ร่างกายของทุกคนอยู่ภายใต้กฎของตายแล้ว อ น, นิจจังไม่เที่ยังเกิดแก่เจ็บตายอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครมันเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกับสิ่ง ต, าตา่างๆที่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาต้นไม้อะไรต่างๆนี่มันก็เกิดออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายไปร่างกายก็เหมือนต้นไม้ดีๆนี่หลางจางที่ว่าร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายที่ สามารถส่งกระแสวิญญาณมาเกาะเพื่อมาแล้วเพื่อใช้ตาหูจมูกลนื้องกายมาเสพรูปเสียงขีนและผลตถภาภะให้กับใจแล้วนีอ่องค์ประกอบในส่วนประกอบที่สร้างร่างกายขึ้นมากับสร้างต้นไม้ขึ้นมานี่ก็มาจากธาตุสี่เหมือนกันร่างกายก็ต้องมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้นไม้ต่างๆก็ต้องมีดินน้ำลมไฟไปดูสังเกตเล ถ้าต้นไม้มันจะไม่ขึ้นที่ในทะเลทรายใช่ไหมเพราะมันไม่มีน้ํา ม, มีแต่ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมแต่ไม่มีน้ำํำหรือตไปที่โคโลงเหนือโคโลกได้ต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีธาตุไฟธาตุไฟมันมีน้อยไม่พอที่จะทําให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตเช่นต้นไม้ได้ที่ไหนที่มีธาตุสี่สมบูรณ์ ที่สัดส่วนพอที่จะทําให้มีสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นได้มันก็จะมีเช่นประเทศที่เราอยู่นี่มีมีธาตุสี่ขอมบริบูรณ์มีธาตุไฟพอประมาณไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปมีธาตุน้ําไม่แห้งแล้างมีธาตุดินที่สมบูรณ์แล้วก็มีธาตุธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําและสี่ธาตุด้วยกัน พอมีสี่ธาตุม mm ัน hmm. ก <t modelling> mm ็สามารถทําให้เกิดต้นไม้ใมหญ้าเกิดสิ่งที่มีชีวิตที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณได้แตมันก็อยู่ภายใต้กฎของอนัตตามันเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายของวเรานี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนต้นไม้เนะต้นไม้นี่เรายอมรับว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาแต่ร่างกายเราเราขับไม่ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติสร้างมันขึ้นมามันก็ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง ร่างกายของพ่อแม่ก็ธรรมชาติก็เป็นผู้สร้างนะก็ให้ใช้ร่างกายของพ่อแม่มาสร้างร่างกายของพวกเราอีกทอดหนึ่งก็ได้ก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้มันก็มีมันมีดอกมีเมล็ดใช่ไหมมันก็เมล็ดมันก็มาสร้างต้นไม้ใหม่ต่อไปเป็นเรื่องของวินวินล่ามลมไฟเราเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครไปสามารถไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไป ตามความต้องการได้ใจที่มายึดติดชาวร่างกายนี้ไม่มีปัญญาไม่เห็นเรื่องกฎของตายรักไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็เลยอยากจะให้มันอยู่ไป น, นานๆาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพราะมันไม่เป็นไปตามความอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาเท่านั้นเอง เรารามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจหลักความจริงว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะใบสั่งไว้ห้ามมันได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงเท่านั้นปัญหาก็หมดไปนี่ก็คือเรื่องของธรรมะอสวดเนี่ยยารักษาโรคใจคนที่มีธรรมะอสวดนีปัญญานี่ยจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกาย รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาก็สึกตอนนี้อภาพของคุณหมอนิ่งๆนะสัญญาณไม่ดีมึงเดี๋ยวต้องเราดูคุณามาร์ล่าเสียงมาแต่ภาพภาพไม่เคลื่อนไหวไม่ทราบเป็นเพราะว่าเราไปตั้งค่าของเราสูงไปหรเปล่าเนอะใช่ราเก่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณของผ ม, มอันชา้าติาครับอือญญใช่ของโรงแรมเลย ของของโรง<ม>แรมนี้ไม่ดีเลยครับอาจารย์ผมเลต้องใช้ของมือถือเป็นตัวส่งสัญญาณครับอาจารย์ครับอืมือถือก็ซื้อ wifi ไ, ไ, ไม่ได้นะใช่ครับอาจารย์ครับแต่แต่วันนี้ไวไฟโรงแรมดูจะจะแย่กว่าครับอาจารย์ก็เลยเมื่อกี้ได้ทดลองอดูแล้วครับผมอืมก็ไม่เป็นไรอาจารย์ครับวันนี้อจาจจะลดควาเสียงนิดนถ้ามีเสียงพูดได้ก็โอเคครับผมครับอาจารย์ครับกลับขอบพระคุณครับ อาจารย์ครับแล้วเราจะทํำยังไงพูดใไปจะพูดไปแล้วหายไปเราจะทํำยังไงทํำยังไงเพื่อให้เรามีธรรมโอสถอยู่ในใจเราตลอดเวล า, าได้แล้วครับอาจารย์ครับก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าอยากจะมีตลอดเวลาก็ต้องเป็นนักบวชนั่นเป็นจะสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกเวลาไม่ต้องไปทำภารกิจอย่างอืง่นหน้าที่ของของนักบวชก็คือมาสร้างธรรมโอษจนี้แหละเพื่อที่จะมาทำลายเชื้อโรคคือกิอออออออเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจพอหมดไปจากใจแล้วน้ำาจจิตใจของของผู้ปฏิบัติก็จะไม่มีโรคภยัยแค่เจ็บอีกต่อไป เมื่อไม่ไม่ีมมมโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ธรรมโอรสและเพราะว่าใจไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ไปทุกข์กับอะไรไม่ได้ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกไม่ได้ทุกข์กับเรื่องของโลกกระทำที่มีเจ ร, ริญหรือเสืองใครจะชมก็เฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะให้ลาบมาก็เฉยใครจะเอาไปก็เฉย ไปจะสั่งเสริมก็เฉยอาจะนินทาก็เฉยไม่ไม่ได้ไปมีอะไรกับอะไรไม่มีกิเลสอย่างเดียวแล้วใจก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็ไม่ต้องใช้ธรรมโพระพุตจาระพาสันตสาวกนี้ถ้าไม่ได้เดินโยมคมนั่งสมาธิเพื่อเอามารักษาใจท่านเอามาใช้สำหรับเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจระหว่างที่ขันธาตุขันกับจิตใจยังอยู่คู่กันอยู่ ก็ต้องมีการใช้มีเป็นการพักผ่อนจิตใจเพราใช้จิตไปทำงานเช่นแสดงธรรมากๆ ม, มันก็เหนื่อยมันก็ต้องพักบ้างใช้สังขานความคิดปรุงแต่งก็ต้องมีการพักเข้าสมาธิแต่ไม่ได้เข้าไปเพื่อไปดับกิเลสไปข่างกิเลสใจนี่มีความทุกข์ ธรรมะโอสถนี้สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รักษาโรคใจให้หายขาดถ้าหาขาดแล้วไม่มีจําเป็นต้องใช้ธรรมะโอสถศีล ส, สนาที่ปัญญานี้ไม่มีความจําเป็นต่อไปมียารักษาโรคทางไปเนี่ยพอหายจากโรคแล้วก็หยุดกินยาใช่ไหมหมอไม่กินยาไปตลอดถ้ากินยา ก, กินพวกวิตามินพวกอวกอาหารเสริมเนี่ย ข้าบบเดียวกันมีการเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิของพระขีนาศพพระที่ท่านเป็นสิ้นกิเลสแล้วท่านก็เหมือนกับ ก, กินยาบำรุงไปท่า น, นบำรุงจิตใจเหมือนกินยาเสริมอาหารเสริมตังใจไปขอบคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ที่ผมจะขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับ เชิญเลยคำถามจากคุณแว่นครับพระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติสมควรแล้วแล้วได้แก่คู่แห่งบุรุษสี่คู่รับเรียงตัวบุรุษได้8ปบุรุษขอความเมตตาอธิบายความหมายครับคือพระสาวกของพระเจ้านี้มีบรรณุทมอยู่สี่ระดับด้วยกันคือพระเสะดาบันพระสกิดาคามีพระนาคามีและพระอารา เป็นสี่เป็นสี่คู่ที่ว่าสีส่สี่สี่คู่หมายถึงว่าก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันได้ท่านก็ต้องเจริญมรรคมรรคที่จะทําให้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็คือการเจริญปิญญีน ส, สมาธิปัญญาศีน ส, สมาธิก็เหมือนกันทุกระดับส่วนปัญญานี้ก็ต่างกันเพราะว่าข้อสอบของแต่ละระดับมันไม่เหมือนกันข้อสอบของพระ โซดาบันก็มีสามข้อคือสัมโยะสามท่านก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็สามารถปล่อยวางสัมโยะสามได้ช่วงที่ท่านเจริญปัญญาพิจารณาละสัมโยะสามนี่เรีวท่านกําลังเจริญมากเรียกว่าโสดาปฏิมาพอท่านละสัมโยะสามได้ท่านก็ได้โสดาปฏิผลท่านก็เป็นหนึ่งคู่แรก โซดาปฏิมาโสดาปฏิผลเพราะอนั้นได้โสดาปฏิผลนักนะท่านก็ไปขั้นที่สองคือไปเจริญสกีดาขามีมัจเพื่อให้ส้สกีดาขามีผลข้อสอบนี้ก็ต่างจากของพระโซดาบันเพราะข้อสอบที่ต้องทําก็คือทําให้กามาราคะและปฏิฆะเบาบางลงพอท่านทําได้ท่านก็เป็นพระสกีดาขามีแล้วก็ไปทําข้อสอบ ขั้นที่สามคือพระอนาคามีพระอนาคามีก็ต้องทำการมาราคะและปติฆะปฏิคฆาให้สิ้นไปจากใจไม่ให้มีหลงเลยอยู่ในใจเลยพอท่านทําสําเร็จท่านก็เป็นพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปจ้าต้องบังงงเจเรนารัอาอาตอรหตมรตลาสัโยชนิข้สัโยชน์เมื่องบนได้แก่อุปราคะอูปราคะอุทัจจมานะ อวิชาาพอท่านละท่านละทั้งยศห้าข้อได้ห้าข้าข้อสุดท้ายได้ท่านก็นบรรุอรรัตผลคือสรุปแล้วก็คือคนเดียวนั่นแหละที่เป็นทั้งแปดุลุนเหมือนกับอาจารย์ที่นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ขึ้นไปปริญญาโทแล้วก็ไปปริญญาเอกมันก็สามคู่ใช่ไหมสามระดับสามยศ สามคู่แต่ก็คนคนเดียวกันนั่นแหะคนที่จบเป็นปอตีแล้วก็ไปต่อปอโทต่อจบปอโทก็ไปต่อปเอกต่อก็เป็นคนคนเดียวนะผู้ปฏิบัติคนเดียวที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงแต่แยกแยะสถานภาพลำดับขั้นของการบรรลุว่าอยู่ขั้นไหนนั่นเองมีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นผ้าละ ควจะเข้าใจไหมเข้าใจครับอาจารย์ครับคําถามจากคุณแบงค์ครั บ, ก า, ารบการพิจารณาอาสุภะควรลงไ ต, ตลักษ์ในการพิจารณาด้วยหรือไม่หรือแค่พิจารณาความไม่สวยงามอย่างเดียวก่อนครับความไม่สวยงามก็เป็นไตลักษ์อยู่ในตัวของมันนะร่างกายมันมีช่วงที่สวยงามแล้วลส่วนที่ไม่สวย ช่วงที่สวยงามก็คือตอนที่มีชีวิตยอยู่ใช่หไหมพอตายไปมันพอตายมันก็เป็นอนิจจ์ไม่เทียมพอตายไปมันก็เปลีนน่ ย, ย น, นสภาพจากร่างกายที่สวยงามกลายเป็นร่างกายที่เป็นซากศพไปอั น, นิจจ์เป็นอนิจจ์ในตัวของมันไม่ต้องไม่ต้องกัวงวลเรื่องตายครับเพียงแต่พิจารณาให้รู้ว่าร่างกายที่สวยงามในวันหนึ่งมันจะต้องไม่สวยงาม ถ้าอยากจะดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายที่สวยงามมันก็มีให้ดูแต่มองไม่เห็นเพราะมันถูกหนังผิวหนังหุ้มห่อเอาไว้ก็คืออวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกเช่นปอดตับหัวใจลำไส้สมองเนี่ยมันไม่ได้เป็นของน่าดูเลยกะโหลกศรีรษะเนี่ยหน้าตาคนดูได้ดีถ้าเราฉีกหน้าตาออกมาถ้าฉีกหนังที่หุ้มหอ่อหน้าตาออกมาเราก็จะเห็นได้เล เราก็จะเห็นกระโหลกสีสับอันนี้คือการพิจารณาสุภาพพิจารณาส่วนที่ไม่สวยไม่งามก็พอเพอาะเป้าหมายของเราพิจารณาส่วนนี้เพื่อให้เราคลายความกำหนัดยินดีการมาลาคะการอยากที่จะมีแฟนอยากจะมีภรรยาหรือสามีอยากจะร่วมหลับนอนกับเขานี้พอเห็นความเป็นจริงของเขาว่าภายใต้ผิวหนังเขาที้หุ้มห่อไปด้วยของที่เป็นปฏิกูลของที่ไม่สวยไม่งาม มันกำนังกอดขยะนอนนอนกอดกองขยะอยู่มีน้ำเหนือน้ำเลือดน้ำอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยต่างเยอะแยะไปหมดเพียงแต่มันมันไม่โผล่มาให้เราเห็นเราก็เลยหลงไปคิดว่าเป็นร่างกายที่น่ารักน่ า, นาชื่นชมยินดีพิจนารณานนี้เพื่อละเพื่อละการมาราคะอันนี้เป็นขั้นของพระสกิริธามีกับพระอานาธามี คุณพลอยครับหนูอยากถามว่าเวลานั่งทำ ม, มาที่ช็าะเจ้าคะาขนอ๋อเวลาที่นั่งทํามสมาธิชอบมีขนลุกทุกทีเลยเจ้าคะ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่เป็นนิสัยของเราพอไปเจออะไรที่มันตื่นเต้นหน่อยมันก็เกิดอาการขนลุกขึ้นมาคนบางคนพอเห็นดาราที่ถูกใจก็กรี๊ดขึ้นมามันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของจิตใจของแต่ละคน แต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องกังวลนะถ้ามันไม่ทําให้เราทุกข์ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของเราพลระกานที่เป็นอย่างนี้คุณคริสครับทํายังไงให้เราทําจิตใจปล่อยวางเกี่ยวกับการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ําครับก็ต้องมองว่ามันเป็นเหมือนน้ําท่วมอะปีนี้ท่วมแล้วปีหน้ามันอาจจะท่วมอีกก็ได้ก็ต้องยอมแล้วมันเป็น ปรากฏกา ร, การ์ทางธรรมชาติโลกมะเล็นก็เป็นเหมือนปรากฏการทางธรรมชาติถ้าเราเห็นมันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติเราก็ต้องจำทำใจยอมรับมันไปแล้วห้าม target, hoje, ะะมันไม่ได้ค <mon> <mon> ุณคริสครับวิธีการไม่ให้จิตใจกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงครับก็อย่าคิดเลยอย่าไปคิดถึงมันพอมันคิดจะพุทโธพุทโธพุทโธไปย้ายมันคิด ว่มันยังมามันยังมาไม่ถึงคิดไปทําไมคิดไปให้ทุกข์ไปเปล่าๆคุณสมพรครับตอนนี้อ่านหนังสือทางโลกแม้จะได้รับออกจะเป็นความรู้ทางโลกได้รับความรู้แล้วออกจะร้อนว่าตอนเป็นวัยรุ่นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับหากเป็นความรู้ทางธรรมจะสบายตัวสบายใจมากกว่าครับพระพุทธเจ้าส่งแสดง แสดงทำไว้ในอาทิตย์ตาปริยายาสุตตา ว, ว่าลมนี้มันรูปเสียงกษษิรสลดภนทานี่มันเป็นของร้อนเป็นเหมือนไฟเวลาเราไปสัมผัสมันแล้วมันก็ลุกเผ า, าใจเรามันมันไฟที่มันเผาใจเราก็คือความโลภความโกรธความหลงเวลาที่เราได้ไปสัมผัสกับเรื่องราวทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วใจเราก็ปุงแต่งออก บางทีก็โกรธบางทีก็โลภเี่ยบางทีก็หลงมันก็เลยทําให้ใจเรารุ่มร้อนขึ้นมาพระเจ้าตรงสงว่าอย่าไปหาความสุขจากการเสพสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะมันเหมือนกลับไปเล่นกับไฟถึงแม้ว่าในเริ่มต้นมันอาจจะทําให้เรามีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่ถ้าเราไม่ระวังเดี๋ยวมันก็มันก็หันมากลับกลับมากัดเราได้เวลาที่มันเปลี่ยนไป คุณดำครับคนทุกคนมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นไปได้ดังนั้นคนที่จะได้ลาบอันประเสริฐคือไม่มีโรภภคภัยไข้เจ็บจึงไม่มีเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็มีบ้างมีน้อยไงไม่ได้หมายความว่าให้ไม่มีเลยเพียงแต่พูดเปรียบเทียบกันนะ่ะคนที่มีโรคน้อยก็ถือว่าได้ลาบได้ลาบมากกว่าคนที่มีโรคมากคนที่มีโรคมากก็ต้องเสียเงินมากคุณนัตยาครับ การนั่งภาวนาที่ว่ายาวนานที่สุดควรจะกําหนดกี่ชั่วโมงถึงจะเหมาะสมครับเท่าที่เราจะทําได้เทําให้เต็มที่สุดกําลังของเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอาจารย์ครับหลวงตาบอกเคยนั่งแบบจนก้นร้อนเป็นไฟนั้นท่นนั่งกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ท่านนอนนั่งทั้งคืนยตั้งแต่หกโมงเย็นตั้งแต่เมื่อพอเริ่มมืดท่ก็เข้านั่งสมาธิ จนกวจะถึงเสาถึงเวลาจะเอาปินธบาต ท, ท่านถึงจะออกมาเกือบสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงขึ้นไปแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงท่านบอกแต่อันนี้ไม่ใช่นั่งทุกคืนนะอันนี้เป็นช่วงที่ท่านอกําลังเหมือนกับว่ากําลังปกมันการปฏิบัติของท่านกําลังเข้มข้นกําลังเข้าได้เข้าเข็มกาลั ง, งท่านพัฒมีมากที่จะสามารถนั่งแล้ว สามารถพิจารณาทุกเวทนาแต่ละครั้งที่มันปรากฏขึ้นมาได้ท่านบอกมีสามรอบในกันนั่งท่านนั่งทั้งคืนท่านนั่งแชั่วโมงนี้จะมีเวทนาระดับจากระดับน้อยไปเป็นระดับมากเนั่มต้นจากหนูไปเป็นสุนัขจากสุนัขกลายเป็นช้างความระดับความเจ็บปวดของร่างกายท่านก็ใช้ความเพียรของท่านความเพียรขันติสัจจะ วิริยะแล้วสติปัญญาพิจารณาจ้ อ, อย่างนั้นจิตก็าสามารถปล่อยวางทุกขเวทนาได้ในแต่ระดับอันนี้ต้องอยู่กําลังของเราว่าเรามีกําลังมากน้อยเพียงไรไม่ใช่เห็นคนหนึ่งก็ทําได้เราจะทําได้เหมือนตอนนี้เราเห็นเขาแข่งมาราธอนก็วิ่งได้เราอยากจะไปวิ่งมาราธอนกับเขาได้มไหมถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเราก็ต้องมีนี่มาราธอนไปก่อนอเดินมาราธอนไปก่อน อ่ากิโลมาราธอนไปก่อนนะแล้วค่อยๆไต่ต้าคุณไปตามกําลังของเราคุณเข็มจีลาครับสงสัยครับว่าการถือสันโดษเป็นอย่างไรเป็นธําอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับใช่เป็นธรรมที่มามากําจัดกิเลสตัณหาความอยากความจุจ้จี้จุดจิกสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิด เช่นถ้าจะซื้อสันโดษเวลาไปร้านอาหารก็ทานเด็กมาเสิร์ฟมาทานจะรับประทานอะไรก็อะไรก็ได้จัดมาสักสองสามอย่างให้เด็กก็จัดมาอันนี้เรียกว่าสันโดษกินอะไรก็ได้มีอะไรก็กินไปตามตามีตามเกิดได้อะไรก็ยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษไม่ไปจู้จี้จุกจิกจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เอาอางนี้เรียกเป็นเรื่องของกิเลส การปฏิบัติสังวรเพื่อลักกิเลสตัวจุจ้จี้จุกจิกที่เป็นตัวสร้างปัญหาให้กับกจิตใจไม่รู้จักจบจากสิน้นได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอคุณมาริษาครับถ้าไม่ยึดติดกับสังขารแล้วโรภคภัยไข้เจ็บก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมครับอาจารย์ก็ลองทำดูสิทำดูจะได้รู้จริงให้เราตอบมันไม่มีประโยชน์อะไร อยากจะรู้ว็ลปล่อยวางเลยมันเป็นโรคอะไรก็ช่างมันไม่ไปทุกข์กับมันรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปคุณอ้อนครับอยากสอบถามพระอาจารย์พอดีนั่งสมาธิบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองมีร่างกายขนาดเล็กเล็กลงเรื่อยๆจนรู้สึกกลัวหรือบางครั้งขนาดนั่งอยู่ก็รู้สึกมีคนมาจ้องหน้าจนรู้สึกกลัวและลืมตาขึ้นจะต้องทาใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองกลัวและหยุดปฏิบัติครับ พอเราไม่มีสติอย่างต่อเนื่องถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องอาการอ่างต่างเหล่านี้จะไม่เกิดถ้าเราพุทโธพุทโธของเราไม่หยุดนี่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเน้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็รีบกลับมาหาพุทโธแล้วอย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นมันเป็นมายาเป็นมายาสร้างขึ้นมาโดยจิตอุปทานของจิตบุงแต่งขึ้นมาเองนะมาหลอกจิตเองถ้าเราเข้าใจหลังนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับัน มันแสดงให้เราเห็นว่าจิตของเราขาดสติปล่อยให้จิตมีมี ม, มีมีเวลาไปปรุงแต่งเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาหลอกเราถ้ามันหลอกเราเราก็ร่วงเป็นหลอกเร า, เราก็ร่างร่วงเป็นแค่เป็นหนังดูหนังดูหนังผีแล้วก็ร่ว่ามันไม่มีผีหรอกหนังผีถ้ามีจริงๆคนถ่ายมันจะถ่ายได้หรือคนถ่ายมันก็โกยกันหมดแล้ว คุณสมพรครับทํายังไงให้จิตใจสงบไม่มีเกลเอะครอบงามใช้บริกรรมพุทโธตลอดเวลาหรือเปล่าครับใช่โดยต้นก็ต้องบริกรรมตลอดเวลาแล้วพอเวลาว่างนั่งได้ก็ต้องนั่งให้มากๆนั่งบริกรรมพุทโธต่อให้จิตวรวนเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้แล้วพอเราได้อัปปนาสมาธิเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายเข้าได้บ่อยแล้วเราออกมาก็ใช้สติคอยควบคุมใจหรือถ้าอยากจะให้ กิเลตายไปก็เวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาทุกครั้งที่เกิดกิเลสก็ใช้ปัญญาพิจารณาตายรักในสิ่งที่กิเลสอยากได้มันก็จะทำให้กิเลสตายไปหมดได้คุณสวยครับคนที่มีความจำเป็นต้องไปทำงานต่างประเทศทำให้พ่อแม่สูงอายุอยู่ลำพังควรวางใจอย่างไรคะก็แล้วแต่ว่าพ่อแม่ท่านอยู่นั่นสุขสบายดีหรือเปล่า ถ้าท่านอยู่สุขสบายดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไถ้าท่านไม่สุขสบายเราก็ต้องหาวิธีทําให้ท่านสุขสบายเป็นจ้างคนมาดูแลท่านแล้วเราก็ไปทําหน้าที่ของเราท่านั้นแหละมันดูถ้าเราไม่อยากจะถ้าเราอยากจะยทําถ้าเราไม่อยากจะปล่อยให้ท่านอยู่ตามลำพังก็อย่าไปทํางานต่างประเทศหางานที่อยู่ใกล้ๆอยู่กับพ่อแม่ได้ทําไป คุณเสวน้ครับการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่โรคต่างๆก็เป็นเหตุในการเปิดประตูสู่ความตายแต่ที่สำคัญมากๆก็คือตายแล้วไปไหนสำคัญกว่าตายด้วยโรคอะไรใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจเราตายแล้วจะไปไหนไปไปสุกติหรือไปทุกขติอันนี้เราก็ต้องรู้เหตุว่ามันอะไรพาให้เราไปทุกขติรือไปไ ป, ไปอบาย อะไรพ้าเราไปสุคติคือไปสวรรค์ชั้นต่างๆมันก็เกิดจากการทําบาปหรือทำบุญนี่ถ้าเราทําบาปเราก็จะไปทุกขติไปอาบายถ้าเราทําบุญเราก็จะไปสุขสุคติเราก็มีตอนนี้เราไม่ีสิทธิ์เลือกเราสามารถเลือกตีตั๋วไปได้ว่าเราจะไปภูเก็ตหรือไปเชียงใหม่จะลงใต้หรือจะขึ้นเหนือแต่เวลาตายแล้วนีน่เราตีตั๋วไม่ได้นะเขาจะจับยันเราขึ้นขึ้น ขึ้นสายที่เราตีตัวไว้กดแห่งกรรมจะมาจาับดวงวิญญาณเราไปทันทีที่หลังจากที่ร่างกายนี้หมดหมดนมตอนนั้นักจิตจะอยู่ภายใต้กดแห่งกดของกรรมกรรมจะเป็นผู้ที่ควบคุมจิตใจของเราแต่ตอนที่เรามีชิมอยู่ตอนนี้เราเรายัางเลือกตีตัวได้เดีว่าเราจะไปสูงหรือไปต่ําได้อยูอยรีบรีบรี บ, รบตีตั๋วไปสูงกันเถิด ทำบุญทำบุญก็มีทั้งหลายระดับทำบุญทำทานอแล้วก็ภาวนาถ้าทำทำบุญทำทานก็ไปสวรรค์ชั้นเทพถ้าไปภาวนาก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมไปสวรรค์ชั้นอรยะไปพระนิพพานตามลําดับถ้าทำบาปก็ไปเป็นเาานรช้านเป็นเปตไปเป็นรัศรกายไปนกรกอาจารย์ครับมีคนที่เป็นอาจารย์หมอสมรสครับระอาจารย์ ท, ท่านบอกว่าโลคญารามาลาพาจริงๆครับเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหตุก็เพราว่าอาจารย์หมอเขาเป็นมะเร็งอาจารย์ครับเป็นมะเร็งต่อมไทรอยแล้วก็พิ่งกระ郎ก็ให้อ่าหายนะถ้าถํามันยังรักษาได้บางทีมันก็หายได้โรคพวกนี้ยังไม่ใช่เป็นก็แล้วแต่เป็นหมอคงจะรู้เองแต่เราก็วาถนาดีถ้าหายได้ก็ขอให้หายก็แล้วกันจะได้อยู่ทําคุณทําประโยชน์ ทานกับตัวร้อยเองแล้วกับผู้อื่นตอไปคุณถนกครับสอบถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งเวลาเข้าสมาธินานๆแล้วจะออกจากบางครั้งรู้สึกเหมือนขยับตัวไม่ได้ต้องรอสักพักถึงจะลุกต้องแก้ไขยอย่างไรครับไม่ต้องแก้ไขอะไรก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายเมื่อมันมนั่งนานๆเวลาที่จะให้มันขยับเขยื้อนบางทีก็ต้องรอให้ เลื่อนลมมันหลายเวียนก็ต้องรอค่อยๆขยับไปมันเปนรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแต่อย่างใดมปนเรื่องธรรมชาติของร่างกายสองข้อสองครับการฝึกฝึกกรรมฐานฝึกสมาธิไว้ในชาติต่อไปไปด้วยหรือไม่ครับหรือจะต้องฝึกใหม่ครับก็อยู่ที่ว่าเราฝึกได้มากได้ฝึกได้น้อย ถ้าเกิดได้มากมันก็จะติดไปกับเรานะได้มากถ้าติดฝนได้น้อยมัน ก, ก็จะติดไปกับเราได้น้อยคุณอัชลาครับถ้าเราทําบาปช่วงที่ลูกยังเป็นเด็กเช่นหักขามะแลงโดยที่ลูกยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษปัจจุบันเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและปวดเข่าตลอดเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในอดีตใช่หรือไม่ครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้ก็จะว่าเป็นเรื่องของกรรมก็ได้แต่มันอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นก็มาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมเป็นอย่างเดียวอยู่ที่อยู่ที่พฤติกรรมการกริจการอยู่ของเราว่าเราทำตัวเราเป็นอย่างไรคุณพีแอลครับ เพิ่ง อ, อกหักมาหนึ่งสัปดาห์แม้พยายามตามหารักแท้มานานจนทอมากแล้วพยายามยอมรับความจริงแต่บางครั้งก็กลัวว่าสุดท้ายจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวควรฝึกใจอย่างไรดีครับก็ควรอยู่คนเดียวตั้งแต่ตอนนี้สลยทำได้ของการอยู่คนเดียวนี้ไม่ ไ, มได้เป็นของลาบากยากเยินอะไรคนนี้มาบวชเป็นพระเป็นเป็นชีนี้ก็อยู่คนเดียวกันถึงแม้จะอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันแต่ต่างคนก็ต่าง ไม่ไม่ไม่ไมพึ่งพาสายกันแต่คนก็ต่างอยู่ของตนโดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยู่ถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เราจะไม่เหนาวเราจะไม่เศร้าเราจะไม่ว้าเหวเพราะธรรมะนี้จะทําให้จิตใจเราสงบจิตใจมีความสุขมีความอิ่มไม่รู้สึกหิวโหวยกับสิ่งใดควรฝึกใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปฝึกนั่งสมาธิวันหยุดท่านที่จะไปเที่ยวกับคนนั้นคนนี้เราไปอยู่วัดตามลำพังเลยไปเปริเว้วว ไนหันนั่งสมาธิเดินจงกรมังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาคุณเจดฎาพรครับเราจะแนะนำผู้ป่วยจิตเวทให้ปฏิบัติธรรมอย่างไรดีคะเวลาเขาคิดฟุง้งซ่านหนูแนะนำให้เขาสวดอิติปิโสฟังธรรมะไม่ให้สติเขาไปอยู่กับเรื่องที่ฟุง้งซ่านถูกต้องไหมครับถูกต้องพยายามให้เขามีแรงยึดเหนี่ยวจิตใจอย่าไปคิดเรื่องราวต่าง พอแล้วเขาไม่คิดเรื่องราวต่างๆอาการทุ่งสร้างก็จะค่อยๆลดลงอยู่ที่ตัวเขามีกําลังที่จะสวดหรือไม่เทานั้นะถ้าเขามีกําลังที่จะสวดบอกเขาสวดกชั่วโมงสองชั่วโมงดูสิรับประกันได้อาการทุ่งสร้างต่างๆนี้จะลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคุณไลท์เทรนครับพระโพธิสัตว์ท่านรัสังขารแล้วดวงจิตท่านไปสวรรค์ใช่ไหมคะ และไม่ทราบว่าดวงจิตของท่านบนสวรรค์ยังคงโปรดศัตว์ในแดนต่างๆ ต, ต, ต่อไปได้ไหมครับคําว่าโพ้นทิศัตก็เคุยเป็นปุถุชนอยู่นั่นเองอยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลท่านก็ยังต้องไปตามตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่ท่านได้ทําไว้ถ้าทําบุญท่านก็ไปสวรรค์ชวงที่อยู่สวรรค์ท่านก็ไปท่านก็ไปปวดขยัไม่ได้ ต้องรอให้ท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถึงค่อยมาทำหน้าที่ของโพธิสัตว์ต่อไปคุณสมพรครับเป็นคนวิตกกังวลง่ายต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรดีครับก็ต้องว่าว่าโลกนี้เป็นโลกของความไม่แน่นอนมันจะไปหวังอะไรมันไม่ได้อนาคตไม่แน่นอนอานลองเพลงคิดเซราเวราดูค่อย เคยรังพังภาษาฝ ร, งรังไหม Hey s a r a Sarah One e v e r Will Be Will Be อะไรจะเกิดก็มันก็ต้องเกิดคิดทาง น, นี้ก็พอมันก็จะหายกังวลคุณมีนาครับวันนี้ได้มีโอกาสอ่านบทสวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพร้อมคำแปลในบทส่วนมีช่วงหนึ่งกล่าวถึงข้าวสาลีเข้าเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาเข้าสารอ่านแล้วสงสัยไม่ทราบความหมายเรื่องใดครับ ไม่ทราบว่าคุณเอามาเหมันนปีกเพล่งแตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องข้าสานวมาท่านพูดถึงว่าท่านกําลังเปรียบเทียบเกี่ยวกับอะไรอยู่เนาะถ้ามาพูดแค่นี้ก็ไม่สามารถจะตอบได้คุณสมพรครับระงับกิเลสระงับความอยากต่างๆได้ก็จะไม่ค่อยทุกข์ใช่ไหมครับไม่ทุกข์เลยทุกข์มันเกิดจากกิเลสมันไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีทุกข์ ไม่ใช่ไม่ค่อยทุกข์มันไม่ทุกข์เลยถ้าไม่มีกิเลสคุณเขียวครับถ้าลูกจะถือศีลแปดเฉพาะวันพระแต่ก็ยังทํางานไปด้วยกรณีอย่างนี้ทําได้หรือไม่ครับขอเรียนกับหลวงพ่อครับความจริงศีลแปดนี้เมาไว้สําหรับคนที่ไม่ทํางานเป็นวันที่เขาจะไปปฏิบัติธรรมกนมากกว่าอยากจะรักษาก็ได้แต่มันอาจจะไม่สะดวก เพราะเช่นเวลารับประทานอาหารเนี่มันก็อาจจะไม่ตรงกับเวลาที่เราถือศีลถ้าเราถือศีลเราก็จะไม่กินหลังเที่ยงวันแต่เวลาเราทํางานเราต้องหยุดรับประทานอาหารหลังเที่ยงไปแล้วมันก็อาจจะมีการขัดถึงบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ถือเข็งจนเกินไปก็เราก็ถือว่าข้อนี้เราก็กินชา้าไปชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกันก็ยังก็ยังถือว่าถือศีลแปดได้อยู่ แต่การถือศีลแปจริงๆนี้ไว้สําหรับผู้ที่ต้องการจะไปบำเพ็ญปฏิบัติปฏิบัติสมาธิปัญญามากกว่าคือจะไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบเปิกวิเวกไม่เกี่ยวข้องกับใครเพื่อที่จะได้ใชเ้เวลาที่มารักษาศีลแปนี้มาให้กับการปฏิบัติภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาแต่ถ้าอยากจะซื้อถ้าอยากจะซื้อศีลแป วันไหนก็ถือได้ถ้าถือได้ก็ถือไปไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรคุณสมพรครับคนที่ไม่มีคู่ครองสามารถบรรลุเป็นพระสกิทาคามียนาคามีได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะไม่ได้ล่วมหลับนอนกันครับก็แล้วแต่ใจนะถึงแม้มันจะไม่ได้ร่วมหลับนอนกันแตใจมันยังมันก็ยังยัมีความอยากอยู่ก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคนที่ คนไม่มีคู่ครองแล้วมีคู่ครองอยู่ที่ว่ามีความอยากแล้วไม่มีความอยากมากกว่าคุณจุลพรครับมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเราทุกข์จากความห่วงครอบครัวพ่อแม่เจ็บป่วยลูกหลานตกงานการปล่อยวางอย่างไรถึงจะไม่รู้สึกผิดบาป ค, ครับความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากให้ครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราไม่เจ็บป่วยไม่ลูกหลานไม่ตกงาน พอไปอย่างนี้มันก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามองความเป็นจริงว่าเราห้ามมันได้หรือเปล่าเหตุการณ์เหล่านี้ทำไมเราห้ามพ่อแม่ไม่ให้เจ็บป่วยได้หรือเปล่าเราห้ามลูกหลานไม่ให้ตกงานได้หรือเปล่าถ้าเรามองเห็นความจริงแล้วเรายอมรับความจริงเราก็จะไม่มีความทุกข์แต่เราไม่ยอมรับความจริงกันเราไม่ยอมรับความเจ็บป่วยของพ่อแม่เราไม่ยอมรับความการตกงานของลูกหลาน เราอยากจะให้เขาไม่ตกงานเราอยากจะให้เขาไม่เจ็บป่วยแล้วก็เลยทุกข์เท่านั้นเองแต่เราก็ไม่เราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนความจริงได้ความจริงก็คือพ่อแม่ก็ต้องเจ็บป่วยอยู่ดีลูกหลานก็ต้องตกงานอยู่ดีนี่ปล่อยวางด้วยปัญญาพยายามรับความจริงเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเหตุการณ์เหล่านี้ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงเมื่อเรารับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่รู้สึกผิดบาปแต่อย่างใดเพราะมันเป็นเรื่องของความจริง คุณปูเป้ครับหนูออยะหายไปหลายจุดและผ่าตัดเปิดสมองและใส่อุปกรณ์ระบายน้ำตลอดชีวิตพอปฏิบัติและฟังธรรมและถามพระอาจารย์มาตลอดความฝันหนูหายเห็นสามีเป็นศพไม่มีอารมณ์การมารมยาไม่ค่อยได้ทานเกี่ยวกับร่างกายมีแต่เข้าสมาธิพักจิตถึงมีแรงทำงานต่อครับพระอาจารย์ดีมากสาถแสดงว่ามีธรรมะอสุสนคุณสิงโตครับ อาจารย์ช่วยขยายความประโยคที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกว่าวิธีรักสั้นไวให้ดูที่จิตหากดูจิตไม่ได้ให้ดูกายหากดูกายไม่ได้ให้ทำสมถธิไว้ก่อนดูจิตในที่นี้หมายถึงยังไงครับก็ดูาอารมณ์ของเราดูความรู้สึกนึกคิดของเราว่านึกคิดไปทางกิเลสหรือไม่ถ้านนึกคิดไปทางกิเลสก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าหยุดมันได้มันก็มรรลุ์ทําได้ ถ้าเราดูจิตไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังไม่มีสติพอที่จะดูทันมันเราก็มาดูที่กายก่อนว่ากายมันเป็นช่วนยาที่เราสามารถคอยดูให้ให้ให้จิตเรามีอะไรไว่ายึดจิตไว้ก่อนไม่ให้ใจเราถูกความคิดต่างๆดึงไปแล้วถ้าเราดูกายไม่ได้เราก็ให้มาทาสมถะก็คือทาสมาธิด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก่อน ก็แล้วแต่เราเราดูอย่างไรได้ก็ดูไปทําอย่างไรได้ก็ทําไปคุณอู๊ดครับตอนนี้ได้ลาออกจากงานประจําไม่ได้ทํางานเนื่องจากป่วยมีเงินเก็บก้อนหนึ่งตอนนี้มีความทุกข์กลัวงเงินเก็บจะหมดต้องทําอย่างไรถึงจะทุกข์น้อยลงครับก็ต้องคิดวันดีกว่ามีงาเงินเยอะอาตายไปก็คนอื่นก็ไปกินหมดถ้าเราใช้อเองหมดก็ถือว่าก็เป็นบุญของเราที่เราได้ใช้เงินที่เราเก็บไว้จะไปกลัวทําทไม เมื่อหมดก็ยอมตาย ก, จก็จบใช่ไหมคุณโดลาครับมีคนมาที่บ้านซื้อเบียร์มาดื่มเป็นแพ็คแต่ดื่มไม่หมดเมื่อเขาไปแล้วไม่เอาไปด้วยและบอกให้เราเอาไปให้คนอื่นเพราะที่บ้านไม่มีใครดื่มถ้าเราเอาไปให้คนอื่นที่เขาดื่มประจำอยู่แล้วเราบาปไหมครับเราไม่บาปแหละแต่คนดื่มบาปถ้าเราอย่าส่งเสริมให้คนทำบาปแล้วก็ไปให้คนอื่น ถ้าเราไม่อยากจะส่งเสริมเราก็เทสใส่นะใส่ช่วงไปก็ได้เททิ้งไปกระจบเพราะมันเป็นยาพิษเนี่ยพิษทางใจแล้วพิษทางร่างกายเอาเอายาพิษให้คนดื่มทำไมาดื่มสุดามันก็ทําให้ร่างกายมีโครคภัยไข้เจ็บกระเพาะลำไส้แล้วก็ทําให้จิตใจเหมือนมาขาดสติเป็นทุกข์ทั้งเป็นโทษทั้งทางร่างกายแล้วเป็นโทษทั้ง ท, งทางจิตใจเป็นยาพิษดีๆนี่ คุณกานิกาครับหากนั่งสมาธิไปนานๆแล้วเกิดอาการ ค, คล้ายๆโลกหมุนหัวหมุนได้แบบนี้เป็นอาการอะไรครับอาจารย์เป็อาการขาดสติเนี่ยเราไม่มีสติถ้ามีสติแล้วจไม่มีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาการนั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆนั่งเราต้องดูลมหายใจหรือต้องพุโทโธพุโทโธไปมีอะไรผูกใจไว้แล้วอาการเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาคุณดับครับ ภาวนาพุโทโธจนจิตสงบแล้วเห็นแสงสว่างสีม่วงที่ปลายจมูกขณะยังหลับตาอยู่เป็นสภาวะทําอะไรครับก็เป็นผลพลอยได้าจากการปฏิบัติเรื่องอะไรก็คิดปรากฏขึ้นมาได้ชนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะสติเราไม่ไ ม, ไม่ต่อเนื่องสติเราไม่ต่อเนื่องมันก็เลยมีอาการต่างๆโผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้เท่านี้ก็มองมันมัเป็นตายรักไปมางว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเราไปสั่งมันไม่ได้ มันจะมาก็มามันจะไม่มามันก็ไม่มาก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วกลับมาดูที่ลมหายใจของเราต่อไปอย่าไปสนใจกรรมาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาคุณแว่นครับการทำอานาปานะสติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติอย่างไรครับคาว่าอน า, าปานะก็แปลว่าลมเข้าลมออกสติก็แปลว่าการระลึกรู้ก็ารระลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูก ลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกก็แค่นี้ก็จบนี่คือวิธีที่ถูกตั้งไม่ต้องไปทําอะไรกับลมไม่ต้องไปหายใจลึกๆหายใจยาวๆอะไรทำนองนี้ไม่ต้องทํำนะให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเข้ามันออกแค่นี้พอแล้วถ้าอยากจะรู้มากกว่านั้นถ้ามันยาวก็รู้มันยาวถ้ามันสั้นก็รู้มันสั้นถ้ามันละเอียดก็รู้ละเอียดถ้ามันหยากก็รู้มันหยากรู้ตามความเป็นจริง เหมราไปดูหนังเนี่ยเราไปดูหนังเราไปทำอะไรกับหนังที่เราดูได้ไหมก็มีหน้าที่ดูอย่างเดียวใช่ไหมหนังมันจะแสดงอาการอะไรตื่นเต้นหรือหวาดกลัวหวาดเสียวหรืตลกโปกฮาล้วก็ดูไปตามความเป็นจริงของมันไม่ต้องไปทําอะไรให้มีสติอยู่การดูอรมณ์แต่ดูหนังนี่มันทําให้เกิดอารมณ์ไม่เหมือนดูลมดูลมแล้วไม่มีอารมณ์ดูอมจิตจิตจะสงบจิตจะเย็นจิตจะสบาย คุณประชาครับนั่งสมาธิแล้วบางครั้งขนาดหลับตาจะมองเห็นภาพสถานที่หรือทิวทัศน์ต่างๆชัดเจนกรอกตามองไปมองมาได้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ควรทําอย่างไรต่อครับกลับมาที่พุโทโธแล้วกลับมาที่ลมหายใจเราใช้อะไรก็กลับมาที่สิ่งนั้นถ้าเราดูลมก็กลับมาดูลมถ้าเราอใช้พุโทโธก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธอย่าไปสนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตที่ยังไม่สงบ คุณเฟีสครับผมชอบแชร์ธรรมะดีๆในโซเชียลแต่แฟนผมไม่ชอบที่ผมทำแบบนั้นเพราะกลัวคนอื่นมองว่าสร้างภาพผมไม่อยากทำให้แฟนผมไม่สบายใจควรจะเลิกแชร์แล้วตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไหมครับก็แล้วแต่คุณนะม่ทำแล้วทําเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจว่าอคุณจะทำยังไง ค, คุณเอกอมรินครับ เป็นโรคซึมเศร้าใช้ธรรมะจะช่วยอาการทางจิตใจได้มากขึ้นหรือเปล่าครับถ้าถ้าใช้สติดได้ก็จะทำให้ใจสงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไปถ้าใช้ปัญญาก็วิเคราะห์สิ่ง ต, งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นไตรลักษณ์อยากไปอยากได้มันดีกว่าพอเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่เศร้าที่เราเศร้าเพาเราอยากได้พอเราไม่ได้เราก็เลยเศร้าคุณจิตพิสุทธิ์ครับ แต่งงานแล้วแล้วเข้าใจตรงกันกับสามีว่าจะไม่มีลูกแต่พ่อและแม่ทั้งสองฝ่ายต่างเร่งรัดอยากให้มีหลานให้จนตัวเองรู้สึกผิดที่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังควรจะจัดการความรู้สึกนี้อย่างไรดีครับก็มันเรื่องของพ่อแม่ที่ไหนเรามันเรื่องของเรากับสามีเราจะมีบุตรหรไม่มีบุตรมันก็เรื่องของเราทำไมจะต้องไปให้พ่อแม่มามามาจัดการกับวิชชีวิตของเราด้วยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความกตัญญู ความกดดันอยู่ก็คือเราสำนึกในบุญคุณแล้วเราก็พยายามจะทำตอบแทนบุญคุณเวลาที่ท่านเดือดร้อนอะไรทำนองนี้แต่เรื่องชีวิตของแต่ละคนมันเป็นเรื่องของแต่ละคนจะตัดสินใจเอาเองความจริงพ่อแม่ไม่ควรที่จะไปก้าวก่มากจนเกินไปคุณเข้มจีลาครับ มากมีคนกล่าวบ่อยๆว่าใช้ชีวิตให้เป็นดังว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะเจ็บก็ต้องยอมรับมันจะป่วยก็ต้องรับสภาพไม่ต้องดิ้นรนอยากสบายไปก็ว่านี้หมายถึงเราต้องจำน้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับถูกต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงก็งเหมือนสันโดษนี่ยยินดีตามมีตามเกิด คุณขุนแผนครับผมฝึกสมาธิแบบพิจารณาร่างกายเป็นธาตุสี่จนเห็นว่าไม่มีเรา เ, าเป็นเพียงศักด์แต่ว่ารูปนามเกิดดับเพื่อให้จิตสงบแต่มันสงบเล็กน้อยพอหยุดพิจารณาก็เกิดการยึดมั่นนละทุกข์เหมือนเดิมครับผมพยายามฝึกแบบพุโทโธแล้วแต่รู้สึกอึดอัดครับกับ ข, ขอคำชี้แนะครับก็ลองดูลมหายใจเขา้าออกดูพุโทโธไม่ได้วิธีที่พระเจ้าสอนให้เราทาสมาธิก็คืออานาปนานสติในสติปัฏฐานสี เขาบอกให้ไปนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกเพื่อหยุดความคิดป่งแต่งอันนี้นเป็นวิธีทามสมาธิที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันคุณหนูแหม่มครับออนุญาตขอคำแนะนำตอนหนูนั่งสมาธิจะรู้สึกหนักที่มือพอกำหนดจิตไปที่มือบางครั้งก็หนักขึ้นหรือเบาไปเลย แบบนี้เรียกว่าฐานของจิตหนูอยู่ที่มือไหมคะหรือหนูจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับออไม่ถึงเราเวลาหนูนั่งสมาธิให้ฐานจิตอยู่ที่กรรมาฐานอารมณ์ที่เราใช้กําหนดถ้าเราดูลมก็ให้ดูอยู่ที่ลมอย่าไปดูที่อื่นถึงแม้จะมีอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจให้อยู่ที่ลมถึงถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมา คุณสุวรรณีครับเมื่อคืนลูกฝันว่าลูกโดนใบเครื่องตัดหญ้าฟันที่หน้าอีกวันก็เลยไปกล้าไปตัดหญ้าแต่พอคิดถึงคําสอนของหลวงพ่อที่ว่าถ้ากลัวอะไรก็ลองอเผชิญกับสิ่งที่กลัวลูกก็เลยตัดหญ้าในอีกวันแล้วก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคิดได้แบบนี้ถือว่าลูกก้าวข้ามความกลัวได้แล้วใช่ไหมครับก็อยู่ที่เราเรากลัวเราไเรากลัวแล้วไม่กลั ว, ลวเราคนเราเป็นคนทําข้อสอบเราต้องรู้ว่าเราทำเราผ่านหรือไม่ผ่าน พระเจ้าบอกนี่คือสันทิฏฐิโกผู้จะผู้ปฏิบัติย่อม mm hmm. ได้ด้วยตนเองว่าตอนได้ได้สัมผัสกับธรรมแล้วหรือยังคุณรามินครับขออนุญาตถามนอกหัวข้อดิฉันเป็นมือใหม่เพิ่งหัดเจริญสติเจ้าค่ะพอเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานั้นคืออะไรแต่เรื่องใจไม่ใช่ของเรานั้นยังไม่เข้าใจเจ้าค่ะ ก็ใจเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดแล้วถูกความหลอกให้หลอกให้คิดปรุงแต่งกั้นมาว่าผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเราเป็นผู้เราเป็นผู้คิดมันเป็นเหมือนคนแต่งนิยายความคิดนี้เป็นผู้แต่งนิยายขึ้นมาแต่งว่าเราเป็นนุ่มเป็นนี่ขึ้นมาความจริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นธรรมชาติที่คิดที่ที่คิดได้ที่รู้ได้ท่านหนึ่ง คุณฟิโอน่าครับการจะตัดความอยากออกจากใจได้นั้นขั้นตอนแรกต้องทํำยังไงครับก็ทําในสิ่งที่ง่ายก่อนดิอย่าเราอยากเร า, เราชอบเราเคยดื่มสุดาแล้วลองเลิกเลิกดื่มเวา อ, อยากดื่มสุดาก็อย่าไปดื่มมันดูอันนี้ก็ทําในส่วนที่ข้อไหนที่เราทําได้ก็ทําไปก่อนค่อยๆตัดไปไม่ใช่ตัดติดเดียวให้มันหมด คุณอนุทัยครับดิฉันเป็นแม่บ้านลูกให้เงินแล้วเอาไปทําบุญลูกด่ฉันได้บุญครับลูกได้บุญจากการที่เขาให้เงินเราแล้วเราก็ได้บุญจากการที่เร า, เาไปทําบุญเงินก้อนเดียวกันนี่สามารถทําให้เกิดบุญกับค น, คนหลายคนได้พอคนเอาเงินไปทําบุญคนที่รับเงินจากคุณไปถ้าเข า, เาไปทําบุญต่อเขาก็ได้บุญนี้เงินก้อนเดียวกันนี่มันสามารถเหมือนเป็นเหมือนอเศรษฐกิจที่เขาทําทให้มีเกิด เกิดรายได้ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันเําให้เกิดบุญกับทุกคนได้ถ้าคุณหมอให้เงินเราเราคุณหมอก็ได้บุญนาเงินนี้ไปให้เด็กยากจนเด็กยากจนก็ได้บุญเด็กยากจนเอาไปเลี้ยงหมาไปช่วยหมาสุนัขเด็กยากจนก็ได้บุญอีกเหมือนกันเงินก้นเดียวกันเนี่ยสามารถทําให้เกิดบุญได้กับหลายคนด้วยกัน คุณอาริยาครับจะบวชชีพามแต่ตาที่ผ่าต้อกระจกข้างซ้ายมองไม่ชัดบวชได้ไหมครับถ้าเราทํากิจที่เขากำหนดไว้ได้ก็บวชได้แล้วแต่วัดที่เราจะไปบวชต้องไปถามวัดที่เราจะไปบวชว่าบวชได้หรือบวชไม่ได้เขามีข้อจํากัดอย่างไรหรือไม่คุณอากาลิโกรครับการวางเฉยด้วยปัญญาคือไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ตรงกลางเป็นอุเบก ข, ขาใช่ไหมครับกลับเรียนถามครับ กาวางเฉยปัญญาก็คือว่าของมันไม่เที่ยงเราจะไปะอยากให้มันเที่ยงได้ยังไงร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราทําเราจะไปะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไงเราก็ต้องวางเฉยวางให้ปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาคุณไพบูลคะโรคภูมิแพ้เกิดจากการสร้างกรรมอะไรไว้ครับ อันนี้ต้องถามคุณหมอนอยู่เรื่องของร่างกายคุณมีนาครับวันนี้ไปใส่บาทที่วัดระหว่างรอพอพยายามนั่งสมาธิที่ศาลาแต่ทางวัดเปิดบทสวดมนต์คล้ายๆทำนองเพลงตลอดเวลาส่วนตัวไม่ค่อยชอบเสียงสวดอยากเรียนสอบถามว่าเวลานั่งสมาธิในที่แบบนี้ควรวางจิตตรงไหนคะอยู่ที่ลมพุทโธหรือตามฟังเสียงบทสวดไปครับ ก็แล้วแต่เราเราจะสามารถทำให้ใจเรานี่งอยู่กับอะไรได้ก็อยู่กับงา น, นั้นไปลองลองทนลองดูหรือถ้ามันไม่ได้ก็เอาอะไรมาอุดหูจะดีกว่าเรามีเครื่องที่เราใช้กับหูฟังเนี่ยเรามาอุดนะแล้วเราก็จะได้ไม่มีเสียงมาววรบกวนเราเราก็สามารถนั่งสมาธิของเราไปตามที่เราเคยถนาดได้ถ้าเราถนัดดูลมก็ดูลมไปถนัดพูดโธก็พูดโธไป เสียงนี้เราบางทีเราป้องกันได้ถ้าเราเอาอะไรมาอุดที่หูเราคุณนานาครับถ้าเราใช้ปัญญานําสมาธิก่อนได้ไหมคะทําสมาธิไม่ได้เลยฟุ้งซ่านตลอดอาจารย์ชี้แนะด้วยครับก็แล้วแต่ว่าเรามีปัญญาหรือป่าปัญหามันอยู่ตรงนั้นถ้ามีปัญญา ก, ก็ได้สามารถที่าสามารถทําใจให้สง บ, บได้เช่นเรากังวลการเรื่องความตาย ถ้าเราเปัญญามาสอนว่าร่างการมันต้องตายทํำงานมันก็ต้องตายถ้ายอมตายใจก็สงบได้เป็นสนาธิได้ถ้ายังไม่ยอมตายยังไม่ยอมรับความจริงปัญญาก็ไม่สามารถจะทําให้ใจสงบได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติเรามาถูกทางแล้วครับเมื่อใจเราสงบขึ้นเย็นขึ้นความโลภความโกรธความหลงของเราน้อยลงไป คุณสิงโตครับการที่ผบเห็นตัวกิเลสผุดขึ้นมาในใจและมีสติเห็นรู้ทันหลังจากนั้นนํามาพิจารณาด้วยความเห็นที่ถูกต้องเพื่อให้ตัดหรือลักกิเลสตัวนั้นได้แบบนี้ขึ้นชื่อว่ากําลังเดินมรรคอยู่หรือเปล่าครับก็มันก็มีหลายระดับมรรคเี่คงยังไม่ใช่ระดับมรรคของพาริย์เป็นยังเป็นของปุถุชนอยู่มรรคของปุถุชนอยู่เช่นเรานอยากจะอยากจะกินเหล้าแล้วเราก็หยุด อยู่ความอยากกินเหล้าหน้านี่ยมันก็อยู่ในระดับสีหน้าไปก่อนยงี้ยังไม่ได้อยู่ในระดับของมรรคของพระะสดาบั น, นของพระอริยะขั้นต่ตางๆทีเหลนไม่นมีหลายระดับเนี่ยระดับปุถุชนระดับพระอริยะ คุณเขมจีฬาครับเราสวดมนต์บทใดๆต้องรู้ความหมายไหมคะแล้วการสวดมนต์เพื่อหวังให้ได้ผลจากความวิเศษของบทสวดมันมีอยู่จริงหรือเปล่าครับคือการสวดมนต์นี้ถ้าเราต้องการเป็นเครื่องเจริญสติไม่ให้ใจเราไปคิด น, นั่นคิด น, นี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจความหมายก็ได้ถ้าใช้เป็นการฝึกสมาธิทําใจให้สงบแต่ถ้าเราต้องการที่จะศึกษาให้เกิดปัญญาเราก็ต้องเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ ว่าท่านกําลังพูดถึงเรื่องอะไรเช่นบทอนิจาวตาสังขาราอุปดาวะธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเปสรูปัสโ ม, มสุโคเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทสวดที่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจความหมายเราสวดแต่อย่างนี้ไปมันก็ทําใจให้สงบได้แต่ถ้าเราต้องเข้าใจถ้าเราอยากได้ปัญญาเราก็ต้องแปลความหมายของบทที่เราสวดนั่นก็แปลว่าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเนาะ มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปการปล่อยวางสังขารได้นี่เป็นสุขอย่างยิ่งความหมายก็คืออย่าไปยึดอย่าไปติดกับร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอันนี้เราก็จะได้ปัญญาและเราก็จะสามารถเอาปัญญานี้มาดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายของเราได้ส่วนสวนความวิเศษของบทส่วนนี้แต่ลอนนันไม่มีมันมีแค่สองสผลนี่แหละ ผลนั้นนึงก็คือทําใจให้เราสงบเป็นสมาธิอีกการนึงก็ทําให้ใจเราเกิดปัญญาขึ้นมานอกนั้นไม่มีละส่วนนล่าร่ำเล่าด่วนส่วนเล่ลสเาสามีจะรกเรานี่ไม่มีละคุณเบกกี้ครับกลาบขอวิธีผ่านเวทนาขณะนั่งสมาธิเจ้าค่ะก็ะอย่าโเคใจป่วยมันเจ็บไปเราอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไป อยู่กับคำากรรมไปถ้ า, าอยู่คำบาลีกรรมโดยไม่หยุดได้เดี๋ยวความเจ็บก็จะไม่มารบควรใจแล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปคุณพัทรละนายครับอุท ธ, ธานะสัมปทาคืออะไรครับน่าจะไปถามครูเ ก, ก้าจะดีกว่านะขออภัยด้วยอันนี้เราไม่สามารถตอบได้คุณอั่งหนเปรี้ยวครับ การนั่งสมาธิแล้วสามารถมองทะลุเห็นจุดดำๆใหญ่ๆถือว่าปรุงแต่งใช่ไหมคะเราควรนึกภาพใดจึงจะดีที่สุดครับห้วคนึกเลยควรจะให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวจะดีกว่าคุณสุดารัตนาครับหลังจากนั่งสมาธิจนจิตสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิควรออกอย่างไรคะและหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วควรทำจิตอย่างไรหรือลุกจากการนั่งได้เลยครับ เ, เวลาเข้าสมาธิก็เข้าด้วยสติเวลาจากสมาธิก็ต้องออกด้วยสติก็มีสติรู้ว่าตอนนี้เรากําลังจะขยับร่างกายแล้วเรากำลังลืมตาแล้วเรากําลังจะลุกแล้วเรากำลังจะเดินแล้วเรากังจะทําอะไรก็ให้มีสติต่อไปควบคุมใจต่อไปอย่าทิ้งสติ อาจารย์ครับถึงตรงนี้คําถามหมดครับเดี๋ยวผมขอาการถามคําถามจากครั้งที่แล้วที่ค้างไว้เต็มเลยนะครับอาจารย์ครับได้เชิญนะครับสบายอาณาปานสติขั้นกายในกายถ้ายังไม่สามารถเข้าถึงอุปาจาระสมาธิสร้างอุคหานิมิตได้แปลว่าเรายังไม่สามารถได้มรรคผลขั้นเวทนาจิตธรรมจริงหรือไม่ครับคือเรื่องของนิมิตนี่มันเป็นเรื่องของของของขั้นปัญญามากกว่า เช่นเราเห็นร่างกายบางส่วนเช่นเห็นกระดูกอย่างนี้นั่งสมาธิแล้วเกิดมีกระดูกโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะใช้ภาพที่ปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องพยายามรักษาภาพนั้นไว้ให้ให้อยู่ในใจเราเป็นนานๆกระทั่งเวลาเรามองใครก็จะเห็นเลืกระดูกของเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างมันสร้างปัญญาขึ้นมามากกว่าเวลานั่งสมาธิจริงๆนี่เราไม่ต้องการเห็นภาพอะไร เาต้องการให้จิตสงบว่างเย็นสบายถ้าเรามีส ต, ติต่อเนื่องจิตก็จะไม่ไม่มีภาพปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าจิตเราไม่ส ต, ติไม่ต่อเนื่องบางทีมันก็เกิดภาพบางอย่างก็เป็นภาพที่มีประโยชน์เช่นภาพที่อสุภะภาพคนตายอย่างี้ภาพอวัยวะร่างกายเช่นโครงกระดูกถ้าเราเห็นภาพเหล่านี้เราก็สามารถถ้าเราต้องการจะไปเจริญปัญญาเราก็เอามาจดจำมาไว้พยายามนึกถึงมันบ่อยๆ แล้วก็เอามาพิจารณาว่ามันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปก็ปดูในที่สุดมันก็จะต้องบุบสลายไปกลายเป็นดินไปอย่างนี้เป็นต้องอันนี้เป็นเรื่องของขั้นวิปัสสนามีคำถามจากคุณเอกชัยครับเราจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้ตกนรกครับรักษาศิ่งห้านี้ท่านนะรักษาสิ่ง้าแล้วก็อย่าไปเสพมาบายอย่างมุก พ่อใบายามุกจะเป็นผู้ที่ผลักดันให้เราไปทําบาปกา น, นรักษาศี่ห้าแล้วก็อย่าไปเสพอบายามุกก็คือสุรายาเมานิดกันบ้านอบายามุกอย่า ง, งอบายามุกมีอยู่ห้าห้าอย่างเล่นการพนันเด็ดสุรายามาเที่ยวกลางคืนเกียรคานแล้วก็ ค, บ ค, บ, คบคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิดท่านี้แหละถ้าเราไม่สถ้าเราหลีกเลี่ยงอบายามุกได้ เราไม่ทําบาปได้เราก็จะไม่ไปตกไปเลยบายคําถามจากครั้งที่แล้วครับพระอาจารย์ครับหลังจากทําบุญตักบาตแต่ไม่ได้กรวดน้ําบุญที่อุทิศจะไปถึงผู้ที่เราอุทิศที่ให้ไหมครับการลงที่นี้ไม่ต้องใช้น้<ต>ําใช้ใช้จิตของเร า, าที่ถานไปตั้งจิตอธิษฐานว่าเขาทิศบุญส่วนนี้ให้กับบคนนุบคคลนั้นบุคคลนี้ไปแล้วก็ไปได้ลนะ ไม่จําเป็นจะต้องมีน้าไม่ต้องมีผาามาสวดญาต้าสัต พ, พีให้เรามันไม่เกี่ยวกันประเทศญี่ปุ่นนี้ชื่อประเทศไทยไม่ได้นะอินเทอร์เนต็ตของประเทศไทยเรานี่สะดวกรวดเร็วของญี่ปุ่นนี่กับสู้ของไทยไม่ได้อาารย์ครับอาจารย์ครับกลับมาได้ไหมครับ ผมหายอกดวงหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับเขออภัยอาจารย์นะครับวันนี้สัญญาณไม่ดีเลยครับอืพราจารย์ครับจากคนหญิงครับหากเราไม่นั่งสมาธิแล้วแต่ให้รู้ยืนเดินนั่งนอนรู้ว่ากําลังทําอะไรและกําหนดจิตในการกระทําทุกยยาบทให้มากที่สุดอันนี้เป็นการฝึกสติไะเราต้องฝึกสติก่อน เราถึงจะนั่งสมาธิถึงจะได้ผลแต่ถ้าเราฝึกสติอย่างเดียวเราไม่นั่งสมาธิเราก็จะได้แค่สติเออรู้ว่าจิตเราไม่ปรุงแต่งแต่จิตเรายังไม่สงบถ้าอยากจะให้สงบเน่งจิตรวมเป็นหนึ่งนี่เราต้องนั่งสมาธิแต่ต้อ ง, งนั่งด้วยการมีสติอย่างต่อเนื่องเราถึงต้องฝึกสติไว้ก่อนให้รู้ว่าเรากําลังยืนกาลังเดินกำลังนั่งกําลังนอ <unpack> นกำลังทำอะไรไปให้ม่ให้สติเผลอไปคิดเรื่องนูงนี้ พอเราทอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธมันก็จะทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาจิตนิ่งสงบเกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาคุณเขียวครับเราจะทำอย่างไรถ้าจะให้เราไม่โกรธครับอย่าไม่อยากได้อะไรจากใครอย่าไปหวังอะไรจากใครที่เราโกรธเพราะเราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หวังสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ได้เราก็เลยโกรธ ให้พระเจ้าสอนให้เราใช้สันโดษเนี่ยการมีสันโดษนี่จะทําให้เราไม่โกรธเช่นเราไปร้านขายอาหารแล้วเด็กมาถามว่าจะกินอะไรเราเอาก๋วยเตี๋ยวชามด้วยแล้วเด็กมันฟังผิดมันจำไม่ได้มาเอาข้าผัดมาให้เราถ้าเรามีสันโดษเราก็จะไม่โกรธนะเรายินดีตามมีตามเกิดข้าวอะไรมาให้เรากินเราก็กินได้แต่ถ้าเรายึดบ้านว่าเราจะต้องได้ก๋วยเตี๋ยวเพราะเอาข้าวผัดมาให้นี่ก็โกรธขึ้นมาทันทีเพราะ เพราะความหวังของเราความอยากของเราอยากจะกึงไว้ยดเตียวพอได้เกาผัดก็เลยโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้สันโดษเราก็จะไม่โกรธยินดีตามมีตามเกิดไปสั่งแล้วแต่ไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยินดีตามมีตามเกิดไปเนยสันโดษนี่ดีมากการมีสันโดษนี้จะทําให้เราไม่ค่อยโกรธใครเขาไม่ด่าเขาด่าเราแล้วก็เราก็เฉยเพราะเรายินดีตามมีตามเกิดไปเขาด่าเราก็ได้เขาชมเราก็ได้ คุณมนฑนาครับพระอาจารย์สอนว่าถึงเวลาตายก็ต้องตายแสดงว่าในโลกนี้ไม่มีใครเป็นสาเหตุให้ใครตายได้ใช่ไหมครับมันถึงคราวตายเช่นเราชวนชวนเพื่อนไปข้างนอกแล้วเพื่อนโดนฆ่าตายครับร่างกายบางทีมันก็ตายของมันเองแต่บางทีมันก็ถูกอย่างสิ่งอืงอ่นทำให้ตายได้คุณทีเอครับผมเข้าใจเพราทุกคนต้องตาย ผมเลยไม่รู้สึกกลัวตายแต่กลัวที่จะเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีหากยังต้องเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ถือว่าผมยังกลัวตายอยู่หรือมีกิเลสอยู่ไหมครับว่าก็คนละเรื่องกันคุณอกคนไม่กลัวตายนะก็ไม่กลัวตายแล้วก็กลัวไปเกิดในภพที่ไม่ดีคุณก็อย่าไปทําบาปทั้งเองคุณก็จะไม่ได้ไปเกิดในภพที่ไม่ดีคุณเข็นจีราครับหลายครั้งขับรถผ่าซากสัตว์ที่ถูกเหยียบบนท้องถนน เราแผ่เมตตาให้มันจะได้รับผลบุญไหมครับแผ่ยังไงล่ะมันเรื่องแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มันในชีวิตอยู่เช่นมันเจ็บแล้วก็ไปรักษาพยาบาลให้มันอย่างนี้เรียกว่าการแผ่เมตตาให้ความเมตตากับมันส่วนอุทิศบุญเราไม่ได้ทําบุญเราจ้าบุญที่ไหนไปอุทิศให้มันนะคุณสราวุธครับโรควิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำโรคนี้ทําให้เป็นทุกข์ภายในจิตใจ ใช้ธรรมะมารักษาจะหายไหมครับรอาจารย์ได้หายแต่ต้องมีขั้นตอนแล้วต้องมีความพยายามขั้นตอนแรกก็ต้องพยายามหยุดคิดให้ได้ทําใจให้สงบให้เย็นสบายพอจิตมีสมาธิมีความสงบแล้วก็สอนใจให้ยอมรับกับความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้า mm. ยอมรับความจริงได้ก็จะหายทุกข์ ความกังวลจะคุณเขียวครับลูกเคยนั่งสมาธิจนตัวลอยหลังจากออกจากสมาธิรู้สึกตัวเองมีความสุขแต่หลังจากนั้นก็ทําไม่ได้อีกเลยลูกต้องทําอย่างไรจึงจะนั่งได้ครับก็ทําแบบเดียวกับตอนที่มันลอยเลยเราเริ่มย้อนกลับไปดูว่าตอนที่เราทําให้มันลอยเราทําอย่างไรแล้วก็ทําแบบนั้นต่อคุณแจนครับ ถ้าคนที่เราอุทิศบุญไปให้แล้วเขาได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นคนแล้วแบบนี้เขายังจะได้รับบุญอยู่ไหมคะก็อุทิศบุญครั้งเดียวเขาก็ได้รับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละมันก็ให้ให้เงินขอทานการอุทิศบุญนี่ก็เป็นเมืนเงินให้เงินขอทานให้ขอทานเขาจะได้ไปเชื่ออาหารกินเขาจะได้มีความสุขจากการได้รับได้รับเงินที่เราให้เข้าไปก็เป็นครั้งเดียวเท่านั้นเอง ถ้าอยากจะให้เขาได้เองก็ต้องทาอีกไม่ใช่ทำครั้งเดียวเราจะให้เขาได้รับโดยอัตโนมัติไปเรื่อยๆมันเป็นวันไม่ได้แล้วคุณสุดารัตนาครับการจเจริญวิปัสนาควรทำหลังจากนั่งสมาธิจ น, จนจิตสงบแล้วเราจ ะ, จะเจริญปัญญาตอนจิตสงบต่อใช่ไหมครับไม่ใช่ต้องรอให้อตจิตออกจากสมาธิก่อนถึงจะมาเจริญปัญญาได้ช่วงทาสมาธิอย่าเพิ่งใช้อย่าไปเจริญปัญญา ต้องทำจิตให้สงบนานๆก่อนเพราะจิตต้องต้องมีพลังต้องให้พักผ่อนานานๆให้สงบนานๆถึงจะมีพลังที่จะมาพิจารณาปัญญาเพื่อยุด mm hmm. เ, เพื่อหยุดกิเลสหยุดความอยากได้คุณเบกกี้ครับทำอย่างไรจึงจะไม่ฝันหรือถ้าฝันขอให้ฝันดีเราจะสามารถควบคุมความฝันได้ไหมเจ้าคะ ส่วนหน่ก็ได้ถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยๆความฝันจะมีจะไม่ค่อยมีถ้าจิตเราสงบเพิ่แต่ถ้าเราอยากจะฝันดีก็ให้ทำบุญไปเยอะแล้วเราจะฝันดีนี่จะคุณหมอนะครับพราจาคุณหมอนักชาครับถ้าคนใกล้ตัวเหลือเวลาในชีวิตอีกไม่เยอะคนในครอบครัวควรจะเตรียมตัวยังไงถึงจะทำใจได้ในวันที่เขาจะจากไปครับ ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในที่สุดเราก็ต้องจากกันไปเป็นธรรมดาถ้าใจไม่ยอมรับก็แสดงว่าใจต่อต้านใจไม่สงบไม่มีสติพอเราก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิกันให้ใจสงบถ้าใจสงบแล้วใจก็จะยอมรับความจริงได้คุณเดฟครับการสวดมนต์ถือเป็นการฝึกสติใช่หรือไม่ครับ เท่าที่ผมสวดมนต์ทุกวันและได้ฟังพระอาจารย์ช่วงบ่ายทุกวันสังเกตตนเองได้ว่าอารมณ์ของตอนเปลี่ยนไปและรู้สึกว่าตนเองวางได้ในหลายสิ่งหรือว่าผมแก่ลงหรือเปล่าครับหรือจิตเริ่มวางได้ครับความแก่เราไม่เกี่ยวกับการวางได้หนระือวางไม่ได้หรอกคนแก่บางคนยึดติด ม, มากกว่าคนหนุ่มก็มีมันอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาของเราถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายได้มากขึ้นตามลําดับ คุณเมตตาธรรมครับผมทําไมยิ่งเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นหรือระดับภูมิจิตภูมิธรรมเราจะสูงขึ้นทําไมต้องพบเจอบททดสอบยากขึ้นและมากขึ้นแล้วจะผ่านไปด้วยอย่างไรแบบไม่เป็นทุกข์ครับมันยากง่ายมันอยู่ที่เราอยู่ที่กิเลสของเราถ้ากิเลสของเรามากมันก็ยากถ้ากิเลสของเราน้อยมันก็ง่ายมันไม่ได้อยู่ที่ระดับภูมิจิตภูมินรรมของเราเราเราเราโนไปเองเราคิดไปว่าเราเป็นขั้นขั้นดีแล้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นภูมิธรรมสูงขึ้นมันก็จะกิเลสมันก็น้อยลงมันก็การปฏิบัติมันก็จะง่ายขึ้นการละกิเลสก็จะง่ายขึ้นคุณหญิงครับการไม่มีตัวตนปล่อยวางจิตว่างถ้าไม่มีตัวกระทบจกปฏิบัติได้ดีแต่พอเกิดผัสสะโดยเราไม่ได้เป็นผู้กระทำเอาไม่ทันเลยค่ะอยากกำหนดจิตโดยการปล่อยวางไม่ยึดตัวตนค่ะก็ต้องพยายามฝึก ให้มากๆฝึกทั้งวันได้ยิ่งดีคอยเตือนเราเราไม่มีตัวตนหรือถ้ายังยังทําตัวแบบไม่มีตัวตนได้ก็ทําตัวให้เราต่ําไว้ก็รับการทำตัวให้เราเป็นแจ๋วคิดว่าเราเป็นแจ๋วแล้วเราก็จะไม่ตอบโต้ใครเราเป็นคนใช้คนรับใช้มีแต่หน้าที่รับฟังทาสารของเจ้านายทุกคนเป็นเจ้านายของเราอันนี้ก็เป็นการลดอัตราตัวตนในเบื้องต้นไว้ก่อน ถ้ายังลดอักตาตัวตนไม่ได้น่าจะปล่อยวางตัวตนได้เลยไง <c oughs> คุณมาดีครับช่วงนี้ป่วยทั้งกายและจิตใจจนทำงานการอะไรไม่ค่อยได้เครียดมากความดันสูงมากๆกลัวเส้นเลือดสมองแตกครับก็ต้องไปหยุดทำงานละจากพักงานแล้วก็ไปรักษานะส่วนใหญ่มันมันมันผลมาจากทางจิตใจมากกว่า เราจะทำให้ไปกระทบทางร่างกายใหฝึกจิตใจให้สงบให้จิตใจเย็นให้สบายให้ปล่อยวางให้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตแท้ได้แล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายก็จะหายไปหายไปด้วยเพราะนี้มันเป็นเรื่องของของจิตใจที่ไปทำให้ร่างกายป่วยไข้ขึ้นมาคุณพรครับถ้าคนป่วยจากสมองความจำไม่ได้ทำกรรมอะไรมาคะแต่ชาติที่แล้ว เออมันไม่ต้องจํำหรอกมันกดแห่งกรรมเพราะจำให้เราอยู่นะเนกดแห่งกรรมนี่เขาจําให้เราเราเราไปแจ้งหรือว่าไม่เคยทําบาปมาเนี่ยมันแก้งไม่ได้หรอกเนียกดแห่งกรรมมันจะไม่อยอมให้เราแก้งบอกว่าออฉันไม่เคยจําไม่ได้เคยทําบาปเลยหรือเปล่าจำไม่ได้หรือจําได้ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยถ้าทําแล้วกดแห่งกรรมเขาจะจดไว้ในบันทึกของเขาคุณเข็มที่ลาถามถึงมัตตาบั น, บนตัดครับอาจารย์ สมัยก่อนแม่เล่า ว, ว่าที่วัดป่าบ้านตาจะมีสัตว์ป่าเช่นนกยูงไก่ฟ้าบินมาจากที่ไกลๆมาอยู่เยอะมากจริงไหมครับสมัยที่เราอยู่ไม่ค่อยเห็นนะมีแต่พวกกรลร อ, อกกระแตอะไรพวกนี้อยู่ในวัดเยอะแต่ก็มีพวกเหยี่ยวมาชอบบินมาคอยกัดพวกกระรอกเหมือนกันลุงตาถ้าเลยต้องเป็นหนังสติ๊กไคอยยิงไล่เหยี่ยวเพราเวลาเหยี่ยวบินมานี่กรลร อ, อกมันจะร้องไลยกระรอกมันจะร้องเป็นตามตามแนวทางที่เหยี่ยวบินมา พอเหยว่อบินผ่านก็เล่าก็เล่าว่าอ๊บ โ, โขึ้นมาในทันรู้แล้วเหีื <Okay. S 1> อ่อมาแล้วท่านกจะถือหนังสติ๊กับงวันดูล้วพอเห็นตัวเหยื่อท่านก็ใช้หนังสติ๊กยิงไล่มันเลยคุณสุดารัตนาครับคนสมถะกับคนสันโดษต่างกันหรือไม่ครับคือ <c oughs> มันเป็นคําที่ใช้คู่กันอันนี้คนสมถะก็คือคนที่ยังมีจิตใจที่สงบ เป็นคนที่ไม่ไม่กระโดดโลดเต้นไม่ผู้ฟ้าคนเรียบง่ายคนสงบคนสำรวมเนี่ยคนสมรทธคนสันโดษก็คือคนยินดีตามมีตามเกิดมักจะไปคู่กันคนที่มีสมัทธาเก็จะเป็นคนสันโดษด้วยคุณเทพรักษาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับในพระราชนิพนธ์จิตตะนะครของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราช พยาจิตราศคือธาตุรู้ชาวเมืองเจตนาครคือจิตวิญญาณดวงต่างๆที่มีเจตสิกมาประกอบเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้เราไม่ทราบนะไม่สามารถที่จะไปพิจารณาตอบได้คุณต้องอ่านดูเอาเองกรันนะคุณเบกกี้ครับการที่เราจะอาภัยให้ใครสักคนหนึ่งอย่างจริงใจมีความจำเป็นใช่ไหมเจ้าคะที่เราต้องจเจริญพรหมวิหารธรรมคือเมตตาก่อ น, อนจึงจะเป็นอาภัยทานที่แท้จริงครับ ก็คือความเมตตาก็คือการให้อภัยผู้ น, นี่ไม่จองเวรจองกรรมกันวิธีที่จะทำให้เราสามารถให้อภัยเขาได้เราก็ต้องมอกว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากการให้อภัยนี้ไม่ใช่คนที่เราไปให้อภัยนะแต่คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือตัวเรานี่หละเพราะถ้าเราให้อภัยเขาได้ใจเราจะเย็นถ้าเราโกรธเขาอาฆาตปยาบาศเขาใจเราจะร้อนถ้าเราม อ, อย่งเราก็จะเห็นว่าการให้อภัยนี้ ผู้ที่ให้อาภัยเนี่ยแหะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการให้อาภายัยครับคุณเมตตาครับผมทําไมคนรอบข้างคนรู้จักกันหรือคนหมู่บ้านมาจงเกลียดจงชังและปริห่างออกใส่ชีวิตผมมา ก, กเกินครับก็เป็นปกติของชีวิตเนี่ยบางทีก็มีคนรักเรามากบางทีก็มีคนเกลียดเรามากแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่วาระของชีวิตก็เรียกว่าอนิจจ์ไง โลกนี้มันเป็นโลกของมรไม่แน่นอนโลกกระทำลาบยศเสริญละเสริญสุขบางทีก็มีเจริญในลาบยศเสรลเสริญสุขบางทีก็ไปเจอในช่วงที่มันเสื่อมลาบยศเสรละเสริญสุขมันก็มีสลับกันไปสลับกันมาก็ทำใจว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคุณสราวุธครับการที่เราฝันเห็นพระพ่อแม่ครูอาจารย์บ่อยๆแบบนี้ดีไหมครับพระอาจารย์ เดนะเราเลกถึงพระันดีพระพราจะสอนให้เราทําสิ่งที่ดีที่งานเป็นตัวอย่างที่ดีของเราที่เราจะได้ใช้ใช้การกระทําของท่านมาเป็นตัวอย่างให้กับเราสอนเราไปในตัวหลังที่พระเจ้าทรงสอนว่าการเห็นส ม, มณะเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งเวลาเราเห็นพระสํำมืองเป็นพระที่เรียบร้อยเป็นพระที่ไม่ทําบาปนี่มันก็จะทําให้เรามีความประทับใจแล้วเราก็อยากจะทําเหมือนท่านก็ได้ คุณธนวัลครับทางโลกกับทางธรรมเหมือนเป็นเส้นขนานกันใช่ไหมเจ้าคะถ้าจะเลือกทางธรรมต้องทิ้งทางโลกถูกไหมเจ้าคะในใ น, ในบ้างปลายของการปฏิบัติมันต้องแยกกันแต่เริ่มตอนนี้ทางโลกทางธรรมมันไปคู่กันก่อนเห็นตอนนี้เราสามารถทำธรรมกับทรรทางโลกไปทามาหากินหาเงินนะทองไปหาครับสุขทางโลกได้แล้วเราก็ทําทางธรรมด้วยการรักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทานไปช่วงนี้ยังไปด้วยกันได้อยู่ พอเราอยากจะไปทำธรรมมากกว่า น, นี้เราก็จะต้องแยกทางกันละถ้าเาต้องการไปซื้อสินแปดอยากจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอันนี้เราต้องแยกไปแล้วไม่ควรทานนะคุณนุชชี้ครับตอนที่แมวป่วยเปิดบทสวดมนต์ให้เขาฟังชวนเขาใส่บาตรจนสุดท้ายตอนนี้เขาตายไปแล้วเราก็ยังใส่บาตรให้เขาอยู่วิญญาณเขาจะได้รับใหมเจ้าคะ่ะก็แล้วแต่เขาจะมารอรับหรือเปล่า แล้วเขารู้รปล่าว่าที่เราทำให้เขาเขาทําทำลายกันอยู่ถ้าไม่รู้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคุณนานาครับใจหนึ่งก็คิดว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมค่ะแต่ทุกวันนี้ทำงานแทบไม่มีวันหยุดเลยรู้สึกขัดแย้งในใจก็อยากว่างเพื่อฝึกปฏิบัติ แต่จะลาออกก็ยังไม่กล้าเพราะต้องหาเงินเลี้ยงชีพเลยสงสัยว่าเราจะก้าวหน้าในการปฏิบัติทางที่ทํางานเยอะได้ยังไงครับเราก็ต้องลดการการทางานทางทางโลกให้น้อยลงไปแล้วเอาเวลามาปฏิบัติอย่างจริงจังการที่ว่าเราการปฏิบัติการทํางานในการปฏิบัติก็หมายถึงว่าเราทําด้วยสติแล้วเราทําด้วยสติแเราก็ได้สติแต่ยังเป็นสติที่ไม่เต็มร้อยเป็นสติแบบครึ่งหนึ่ง คือมีสติแต่ไม่ใช่เป็นสติแบบไม่คิดยังเป็นสติที่คิดอยู่ก็ได้เท่านั้นยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทําให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ในที่สุดเราก็ต้องไปปฏิบัติทำเพียงอย่างเดียวการงานก็ทําแบบพระเวลาบินธบัตก็ถือว่าเป็นการทํางานก็มีสติอยู่การการบินธบัตไปเวลาขบฉันก็ถือว่าเป็นการทํางาน ก็มีสติอยู่การขอบฉันไปอย่างยน่งจะได้จะได้การได้เป็นการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่เพราะงานแบบนี้ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดมากนันถ้าราอยากจะไปทางธรรมเราต้องเริ่มลดละการการะทำทางทางโลกให้น้อยลงวิธีจะลดละทางโลกได้ก็คือเราต้องเลือกใช้จ่ายให้น้อยลงลดการใช้จ่ายต่างๆของพวกเฟืยต่างๆเราก็ต้องขัดตัดทิงไปให้หมด ใช้จ่ายใช้จ่ายแต่สิ่งที่ยังเป็นก็คือปัจจัยสี่เท่านั้นของยังอืง่นโลกทิ้งให้หมดเลยปัจจัยห้าปัจจัยหกอะไรต่างๆไม่ต้องไปมีมันไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปกินไปเดินไปดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเราก็จะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะลดค่าใช้จ่ายได้เราก็ไม่ต้องหาไม่ต้องไม่ต้องหาเงินเยอะก็ไม่ต้องทํางานมากลดการทํางานลงได้แล้วเราก็จะมีเวลามาเพิ่มให้กับการปฏิบัติธรรม พอเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นใจเราก็จ ะ, จะเจริญมากขึ้นในทางทธรรมก็จะมีกำลังที่จะลดทั้งโลกได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็สามารถลดทางโลกได้หมดเลยแล้วก็ไปทำธรรมเพียงอย่างเดียวคุณเมตตาธรรมครับทำไมเวลาผมไปกราบนวะัตสการ์แม่ครูอาจารย์ที่ผมเคารพศรัทธาบางครั้งก็โดนทดสอบจิตไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ครับ บางทีก็มีความน้อยใจเสียใจอยู่ครับผมจะติดเป็นกรรมปรมาม마ศไหมครับอก็เราเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องเตรียมตัวที่จะต้องทําข้อสอบเนี่ยเราต้องขอบคุณท่านที่ท่านคอยมาทดสอบจิตใจเราเราจะไปโกรธท่านทำไมเราอยากจะให้ท่านมาลูกหัวเราชมเราเพียงอย่างเดียวโอ้ลูกหนอดีหนะลูกอย่างนู้อย่างนี้ทนที่จะโดนดา่าโดนว่าการโดนดา่านี่เรเป็นการทดสอบจิตใจของเราว่าเรายังมีความโกรธอยู่หรือเปล่า ถ้ายังมีก็รีบไปแก้ไขเสียความหมายอยู่ตรงนี้ครูบาอาจารย์ที่ดีม่กจะด่าลูกศิษย์อยู่เร่ๆหนูกจำมะครับัวนี่นนโอ้ลูกศิษย์กลัวกันมากไม่อยากจะเข้าใกล้กนะันช่วงที่ท่านช่วงที่ท่านเอาสั่งสอนจริงๆจังๆนี่ท่านจะไม่ท่านจะไม่มีแต่ดุ ด, ด่าอย่างเดียวไม่ค่อยชมใครเลยในช่วงปลายๆของที่ท่านมาออกม า, ปาโปรดญาณโยนีย่ท่านถึงจะไม่ค่อยดุด่าว่าใครเท่าไหร่เพราะท่านรู้ว่าอินทรีย์ของญาติโยมันไม่เหมือนกับอินทรีย์ของพระ ในสิ่งของพระนี่มีแรงต้านเยอะรับกับการดู ด, ด่าของท่านได้ของญาติโยมนี้มันมันไม่มีกําลังที่จะรับกับคําดู ด, ดา่านั้นท่านก็เลยไม่ค่อยดูด่าเท่าไหร่ในช่วงที่ท่านมาโบาดญาติโยมกันแต่เวลาไปดูที่ท่านสอนพระเนี่ยเดี๋ยวดูดา่ามันก็จะโกรธกันเกลียดกันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ว่ามันอย่างลรงไปตรงมาเลย นนแต่แต่คนที่ต้องการทรอาจารยชอบแบบนี้เอราน่าอหยียบกับครูบาอาจารย์นี่มีความสุขเพราะมันเป็นการสอนให้เราแก้ปัญหาในใจของเราคุณสีครับวันนี้ผมไปถวายของพระแล้วท่านมีญาติโยมมากท่านไม่ได้มองเราให้ลูกศิษย์ ร, รับไปเราจะได้บุญไหมครับเมื่อเราคิดว่าได้ถวายไปแล้วก็คือเสร็จในกิจของเราแล้วหรือคิดอย่างนี้ได้อันนี้สงมากกว่า คิดถูกไหมครับถูกแล้วนะให้ไปน้ำชายจะรับหรือไม่รับก็ไม่เป็นไรแนละ้วเราได้เสียสละของของเราไปแล้วเราได้บุญแล้ววันนี้คําถามมันนี้หมดไปเวลาเหลืออีกสักสองนาทีนะครับอาจารครับจะถามของครั้งที่แล้วนะครับหากในที่ทํางานเจอคนที่เขาไม่ชอบเราเด็กกว่าเราเป็นสิบกว่าปีมองเราเป็นอากาศและชอบว่ากระทบเรา พยายามข่มใจและอดทนอย่างมากแต่ยอมรับว่าในใจร้อนมากทําอย่างไรดีครับเราก็ต้องห้ามเขาเขาเป็นเหมือนดินท้าอากาศเลเมื่อเขาเป็นดินฟ้าอากาศแล้วก็ไปควบคุมบางเข้าวก่ไม่ได้เขาจะด่าเราเขาจะดูถูกเราเขาจะอะไรเราเกลียดเราเราก็ห้ามก่าไม่ได้ก็ปล่อยเขาทาไปเท่านั้นเองเราอย่าไปเมียตาตัวตนเราทำตัวเราเป็นเพีผู้รู้ให้รู้เฉยๆไปเป็นผู้รับรู้ไปเท่านั้นไม่มีตัวตนมารับ เราก็จะอยู่กับเขาได้แต่ถ้าเราเป็นว่าอ้ยเราใหญ่กว่าเขาสูงกว่าเขาดีกว่าเขาฉลาดกว่าเขาเขาคนจะเขารบเราควรจะให้เกียรติเราถ้าคิดนี้เราก็จะถูกใจมันเป็นกิเลสของเราที่ไปสร้างตัวตนขึ้นมาในตัวของเราเองกอนหึงตัวเรานี้ไม่มีตัวตนตัวองเราเป็นเพียงแต่ตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองถ้าทำตัวเราให้เป็นตัวรู้ตัวคิดแล้วเราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายเหมือนกระจกเนี่ย กระจกนี้มันสะท้อนภาพทุกชนิดได้ใช่ไหมใครไปยืนหน้ากระจกแล้วยิ้มให้มันมันก็ไม่มันก็ไม่ว่าอะไรใครไปยืนหน้ากระจกแล้วยากเขี้ยวใส่มันมันก็ไม่ว่าอะไรใครจะไปยืนแล้วไปไปฉีดไปลดไปปัสสวาวะใส่กระจกกระจกมันก็ไม่ว่าอะไรกระจกมั น, นก็สะท้อนภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นท่านเองใจทู้รู้ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไปท่านเองเขาจะอยาบใครเขาจะสุภาพเขาจะเรียบร้อยเขาจะ ช่วงไว้ก็เรื่องของเขาแลมีหน้าที่รับรกกู้ก็รับรู้ไปเท่านั้นอจะทำนี้ได้ต้องฝึกสติสมาธิให้เยอะให้ใจเป็นมีอเบสขาววางเฉยให้ได้ก่อนแต่ถ้ายังไม่มีทำยังไงก็วางเฉยไม่ได้มันจะตอบโต้ทันทีวันนี้คำถามหมดพอดีครับรอาจารย์ครับต้องกลับนะกลับขอพระอาจารย์มันี้มีสัญ ญ, ญาณติดกขัดขัดอยู่หลายช่วงครับ ออไม่เป็นไรละ่ะมันไม่ใช่เป็นความผิดของคุณหมอมเป็นเรื่องของธรรมชาติอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึงซึ่งเราก็ควบคุมบางครั้งไม่ได้ครับขอโอกาสคับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆ น, นฟังธรรมอยู่ในเฟซบุ o กหกร้อยยี่สิบสองคนในยู u ูบหกร้อยสี่คนในข่าวพาร์ทสิบคนครับวันนี้มีเพื่อน เ, อนเอนฟังธรรมอยู่หนึ่งพันสองร้อยสามสิหกคนครับอาจารย์ครับ ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังธทมร่วมกันสนานาธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็ น, น้อยเพื่อจะได้นําออกไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจการสนานาธรรมกันในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรใจเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพนิดเป็นนาะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งย่งขึ้นไปเถอดสาธุ ก็คิดว่าจะขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้อาทิตยหน้าคงจะได้พบกันอีกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งคุณตําบลในถ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วคงจะได้พบกันอีกเช่นเคยขอเจริญพรปรับพระคุณพระอาจารย์ครับ